จึงให้ค่าสัตว์เป็นอันมากราชาอาหะสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทะมหหกษศัตร์มีพระราชองค์การตรัสถามปัญหาอื่นสืบไปเล่าว่าพันเตนาคเสนข้าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้าอันประกอบด้วยวรปรีชาสมเด็จพระบรมโลกกนาตศาสดาจยา์มีพระพุทธดีกาวว่าดังนี้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 พระโลมกะสปะดาบทนั้นทำไมจึงค่าเสียซึ่งสัตว์เป็นอันมากครั้นเมื่อได้นางจันทวัดีนั้นใช้คุณทั้งหลายให้ค่าสัตว์เป็นอันมากบูชายันนี่แหละพระพุทธดีกาของสมเด็จพระสัพพันธ์อยู่เจ้ามิเป็นสองหรือจะเชื่อเอาคำเดิมคำภายหลังก็จะผิดครั้นจะเชื่อคำภายหลังคาเดิมก็จะผิด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 พระบรมโพธิสัตว์ได้ฆ่าสัตว์กระทำการบูชายันเป็นปกติอยู่มิใช่หรือพระนาคเสนจึงมีเถระวาจาถวายพระพรว่ามหาราชดูรานะบอพิษผู้ประเสริฐพระบรมโพธิสัตว์จะได้ฆ่าสัตว์ทำการบูชายันเป็นปกติอยู่หามไม่ได้ถ้าพระองค์พึงน้อมใจไปเป็นปกติด้วยไม่มีปัญญาไซ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 พร้อมด้วยดินทาดูกระท่านใสหะท่านพึงรู้ตามที่ได้กล่าวมาอย่างนี้มหาราชดุราณะบทพิษผู้ประเสริฐพระบรมโพธิสัตว์เมื่อเสวยพระชาติเป็นพระโลมกัะสปะได้มีวาทะว่ากล่าวไว้ดังนี้แต่พอเห็นนางจันทวดีก็มีราคะบังเกิดร้อนรนป่วนปัน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 มิได้กระทําปานาติบาตเบียดเบียนสัตว์ทุกๆชาติตราบเท่าได้ตรัสสําเร็จแก่พระประมัตธรรมิ่งมงกุฎเป็นองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าในการนั้นสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิปดีได้ทรงพระเสบนาการพระน้าเกษ ร, รแก้ปัญหาก็ท่ อ, องสาธุการทรงรับตามที่พระน้าเกษรถวายวิสัชนานั้นทุกประการ โลมากัสปะปัญหาเป็นคำรบสี่จบเพียงนี้